ฉันได้ย้อนกลับมาสังเกตสังกาข้อปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจขั้นพื้นฐานนั่นคือเรื่องของทานแต่ก่อนฉันแค่มองง่ายๆว่าทานก็คือยกสมบัติสักชิ้นให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะคนยากจนขอทานเด็กอนาถาตลอดจนพวกพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารที่เอาบริการดีๆซื้อใจลูกค้าให้แจกทิป แต่เมื่อฝึกแผเมตตาอันชายออกมาจากก้นบึ้งหัวใจเห็นจิตเผื่อแผ่สุขภัยสารอันยิ่งใหญ่เหลือประมาณมุมมองเกี่ยวกับการให้ทานก็ต่างไปเพราะไม่ได้เล็งออกไปที่ผู้รับข้างนอกที่ไหนแต่เริ่มเห็นจิตใจของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกรวมทั้งเห็นผู้รับผลแท้จริงเป็นตนเองในลำดับสุดท้ายจึงรู้ซึงว่าให้ ความสุขออกไปจากใจมากแค่ไหนก็ได้ความสุขกลับมาถึงใจมากแค่นั้นทําทานนั้นต้องทําด้วยใจเสมอมือของเราไม่ร่วมรับรู้ไม่ร่วมยินดีในทานไปกับใจแม้แต่น้อยจึงต้องถามว่าแต่ละครั้งที่ให้ทานนั้นใจมีอยู่แค่ไหนแค่ให้อย่างเสียไม่ได้ แค่ให้เพราะอยากตัดรำคาญแค่ให้เพราะถูกใช้มาทำแค่ให้ด้วยความชินชาปราศจากปีติแค่ให้ด้วยความหวังผลตอบแทนแค่ให้เพราะเป็นแค่เศษกระดูกติดเนื้อแค่ให้เพราะเป็นเศษเงินเหลือใช้แค่ให้เพราะรู้สึกว่าไม่เสะเทือนสมบัติที่มีหรือแค่ให้เพราะอยากสะเดาะเคราะหให้สบายใจไปคราวหนึ่ง ใจในการคิดให้มีหลายแบบเลอกเกินตั้งแต่แผ่เมตตาเป็นนิสัยการให้ของฉันก็เปลี่ยนไปการให้กลายเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณกลายเป็นเรื่องของการตกแต่งขัดเกลากลายเป็นเรื่องของการเปลื้องของหนักลงจากบ่าฉันพบว่าหากให้ในระดับเฉือนเนื้อส่วนหนึ่งทิ้งได้ เช่นทำแล้วรู้สึกว่าสมบัติพร่องลงกว่าเคยโดยไม่คิดเสียดายมีความห่วงใยสวัสดิภาพของตัวเองน้อยลงอาทรต่อผู้อื่นมากขึ้นกระทั่งจิตใจสว่างว่างโล่งกว่าเก่าวิธีคิดก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์สุขกับตัวเองมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนิสัยขี้กังวลของฉัน ทำงานกลัวศัตรูจะได้หน้ามากกว่าพูดในที่ประชุมกลัวคนจะไม่สนใจไอเดียมันเอาใจลูกค้าเพราะกลัวผลงานตกแน่นอนว่าฉันทำตามหน้าที่อันควรแต่ไม่ใช่แค่ทำดีที่สุดอย่างเดียวยังทำด้วยความกลัวไม่เด่นกลัวไม่ได้ดีตลอดจนกลัวเสียเปรียบไปด้วยจริงอยู่ความกลัวเหล่านี้เป็นของธรรมดาโลก เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนก็กลัวกันแต่นั่นก็กลายมาเป็นปัญหาระดับโลกด้วยไม่ใช่เหรอลองไปถามบริษัทขายยาดูเขารู้กันทั่วยาขายดีที่สุดในโลกได้แก่ยากล่อมประสาทยาลดความดันโลหิตกับยารักษาแผลในกระเพาะอาหารเหล่านี้มันเรื่องเกี่ยวกับความเครียดทั้งสิน้นคนเราพากันทําตามกระแสทาในสิ่งที่นึกว่าจะได้ แต่แท้จริงแล้วกำลังลาดพาลงเหวการนาวต่างหากเมื่อจิตมีกิริยาเป็นให้มากกว่าเอาฉันก็สบายใจขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะเริ่มรับผิดชอบงานด้วยความคิดว่าจะทำให้คนรอบข้างดีขึ้นฉันเถียงกับศัตรูตัวฉกาดน้อยลง รับฟังเขามากขึ้นให้อภัยไม่ถือสาในเรื่องจุกจิกเล็กน้อยไม่ใช่เจอหน้าแล้วเหนเ็นเป็นเป้าที่ต้องเอาชนะฆาคารกันท่าเดียวทั้งทางตรงทางอ้อมเหมือนแต่ก่อนเขาจะคิดอย่างไรได้รับผลดีแค่ไหนฉันไม่แน่ใจรู้อย่างเดียวว่าใจฉันเองมีความสุขมากขึ้นเมื่อจาเป็นต้องทางานกับเขา ธรรมชาติมีสีสันแปลกประหลาดพิสดารดีคล้ายเส้นผมเส้นเดียวอาจบังภูเขาได้ตั้งหลายลูกเช่นความจริงประการหนึ่งได้แก่การคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองทำให้เราได้ดีก่อนคนอื่นนอกจากเรื่องของใจที่ให้เป็นแล้วฉันยังเห็นตามจริงด้วยว่าผู้รับไม่จำเป็นต้องอยู่ในฐานะต่ำต้อยกว่าฉัน ถ้ามองคนทั้งหลายเสมอหน้ากันฉันก็เห็นโอกาสในการทำบุญทาทานมากมายอย่างเช่นอาเสียร้อยล้านพันล้านขับรถยาวแปดวาก็ยังต้องก้มหัวขอบคุณเมื่อฉันเปิดทางให้เขาไปก่อนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าดีๆที่มีระดับจิตเหนือฉันก็ยังเรียกว่าเป็นทักคินายบุคคลคือบุคคลที่ควรรับของถวาย หากฉันไม่เอาอะไรไปถวายพวกท่านก็ไม่อาจดํารงชีพเพื่อสืบทอดพระศัทธธรรมไม่อาจมีกําลังวังชาทำกิจอันสมควรแก่พระศาสนาได้เลยพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญรอยตามท่านในทุกๆ ท, ท, ทางพูดง่ายๆว่าท่านส่งเสริมให้เรียนแบบทุกลีลาอัน ง, งดงามเป็นไปเพื่อความประเสริฐทุกประการครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ ได้ไปกราบพระปฏิมาในโบสถ์วัด ต, ต่างจังหวัดฉันเง่อยหน้าขึ้นพิษองค์พักสงบละไมแล้วรู้สึกเงียบงนันลึกซึ้งลงมาถึงจิตแต่ก่อนฉันมองแล้วไม่เข้าใจบัดนี้ฉันคิดว่าตัวเองพอยิ้มได้คล้ายพระปฏิมาคือมีความสุขอยู่กับเมตตาในตนเองมากกว่าการทนทุกข์อยู่กับไฟโทสะอันไร้แก่นสาร ตั้งแต่วันนั้นฉันก็ได้อุบายวิธีเจริญเมตตาประการหนึ่งคือเมื่อเจอเรื่องกระทบให้โกรธหาอาวุธใดมาฆ่าโทสะไม่ทันฉันจะนึกถึงยิ้มของพระปฏิมาน้อมมาประดิษฐานที่ริมฝีปากฉันใจจะเยือกเย็นลงและให้อภัยอย่างปราศจากเงื่อนไขได้ทุกประการเลี้ยงสติเลี้ยงเมตตาให้อยู่กับใจฉันตลอดรอดฝัง หลายวันที่ผ่านมาฉันยังดูลมหายใจโดยความเป็นของเกิดดับอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อต้องติดต่อกับผู้คนก็มักสังเกตจิตใจตนเองว่ามีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาในแบบที่จะเป็นไปในทางเมตตาหรือพยาบาทฉันได้ข้อสังเกตประการหนึ่งคือสุขที่บังเกิดอย่างท่วมท้นจากการแผ่เมตตานั้นค่อนข้างยากจะดูโดยความเป็นของเกิดดับ เพราะโสมนัสที่เกิดขึ้นเป็นของเกาะกลุมใจหน้าติดใจธรรมดาคนเราอยู่ใกล้คนใจเย็นก็สบายตามเหมือนชิดวิมานแล้วแต่เมื่อใจเย็นด้วยตนเองเหมือนเป็นวิมานเสียเองย่อมต้องหน้าพึงใจกว่านั้นหลายเท่าฉันจึงใช้วิธีสังเกตเปรียบเทียบระหว่างความสุขที่เห็นลมหายใจเกิดดับ กับความสุขที่จิตอิ่มในทะเลเมตตาใหญ่พบว่าสุขจากการเห็นสภาพเกิดดับนั้นโปร่งใสและเย็นสนิทส่วนสุขจากการแผ่เมตตานั้นขาวละมุนและอบอุ่นทั้งความสุขโปร่งใสและความสุขสีขาวต่างก็เป็นสภาพหนึ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีความเป็นตัวเองดำรงอยู่ก่อนและไม่อาจดำรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปขาดเหตุปัจจัย ก็สูญสลายไปตามการความใสกับความขาวนั้นเป็นสิ่งถูกรู้ด้วยใจไม่ใช่ใสแบบตายเห็นกระจกไม่ใช่ขาวแบบตายเห็นสัมลีแต่เป็นแบบใจรู้สึกถึงความเป็นตัวเองว่าต่างกันอย่างไรและถึงแม้ต่างกันแต่ใสกับขาวก็เข้าพว ก, กันลองคิดดูเถอะในบรรดาสีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดำแดงเหลืองเขียวไม่มีสีไหนอีกแล้วที่ใกล้เคียงกับความใสเท่าสีขาวนี่ทำให้ฉันนึกถึงบัญญัติของพระพุทธองค์ที่ส่งจำแนกกรรมออกเป็นกรรมขาวกรรมดำและกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมแต่ละประเภทเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยใจเช่นเดียวกับเวทนานี่เองผู้ทาบุญ ย่อมรู้สึกถึงความสว่างผู้ทําบาปย่อมรู้สึกถึงความมืดผู้เจริญสติปัญฐานย่อมรู้สึกถึงความโปร่งใสไร้สีเหนือขาวเหนือดาแต่ความใสย่อมไม่รังเกียจความขาวเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการทำกรรมกับโลกก็จะเลือกประกอบแต่กรรมขาวอันเป็นฐานยืน เป็นแรงส่งให้เกิดกรรมไม่ดำไม่ขาวอันใกล้ชิดต่อเนื่องกันอย่างที่สุด